ปฏิบัติธรรมสึกสาธรรมก็จะนำมาให้เราได้รู้แจ้งแล้วก็ปฏิบัติให้เข้าถึงสัจธรรมจนจิตใจของผู้ภาวนาเราเริ่มมอง โลกนี้ด้วยจิตอันผ่องใสขึ้นกว่าเดิมไม่อย่างนั้นก็มีแต่ความเศร้าหมองแล้วก็มีแต่ความขุ่นเครื่องเพราะว่าเราก็จะพบกับของที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจอยู่ตลอดเวลามันก็ต้องมีสิ่งขัดแย้ง มีสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์แต่พอสิ่งนั้นเกิดตามมาถ้าเราไม่มีสติไม่มีธรรมะเราก็จะแบกอความหนักอึ้งอารมณ์ที่มัน มีความโกรธหรือมีความเศร้าหมองอยู่ภายในจิตเราก็จะแบกจริงๆเราแบกจริงๆนะเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดปรากฏตั้งอยู่กว่าจะดับเนี่ยไม่รู้ว่านานหรือใช้เวลาแค่ไหนเพราะแต่และเรื่องเนี่ย มันหนักเบาไม่เท่ากันไม่เท่ากันก็ขึ้นอยู่ที่กรรมและวิบากของแต่ละคนด้วยบางคนพอบุญส่งชีวิตเดี๋ยวนี้ก็ส บ, บายส บ, บายเรื่องร้ายๆก็เบาลงไม่ใช่ไม่มีนะมีมนุษย์เกิดมานี ต้องมีเพียงแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงไหนระยะไหนแล้วก็เวลาไหนฉะนั้นสติเราต้องตั้งให้ได้จิตต้องมั่นสติต้องตั้งใจต้องนิ่งเระต้องให้ได้พอเราตั้งได้แล้ว มีสิ่งใดที่เกิดเขาจะใช้ปัญญาว่าเหตุนี้เกิดจากอะไรอดีตส่งผลมาสู่ปัจจุบันหรือเรากำลังสร้างเหตุปัจจุบันส่งไปสู่อนาคตทั้งใกล้และก็ไกลบางเรื่องพวกเราก็บอกว่าเราไม่ได้ทำเราไม่รู้เรื่อง แต่มันก็ยังบอกว่าใช่เรานี่แหละไม่เกี่ยวก็เกี่ยวถึงบอกเออบางอย่างก็ต้องยอมรับเราดิ้นสุดแล้วมันก็ยังผูกรัดอยู่ถึงบอกพวกเราเกิดมามันทับถมกันไม่รู้ว่าพบไหนต่อภูมิไหน เศษกรรมวิบากไม่รู้แต่ปางไหนมาเหมือนพระโมกคลาก็ถูกทุบถูกตีมาทุกพบทุกชาติทั้งที่ก่อนนั่นก็ไม่ได้ทำแต่อดีตเคยทำที่นานมาจนบรรลุเป็นพระอาราหันต์ก็ยังต้องถูกทุบอีกนั่นก็เป็นเหตุครั้งหนึ่งที่ทำเป็น อนันตริยกรรมคือทำลายบิดามารดามาตุค่าตเป็นกรรมหนักเหมือนพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เพราะทำปิดตุค่าตแทนว่าจะได้เข้ากระแสโซดาปฏิผลปิดอบัยภูมิปิดไม่ได้ ต้องไปอบายภูมิก่อนได้แค่ขอถึงพระรัตนตรัยศรัทธามีแต่จิตอันมีอกุศลกรรมที่หนักเนะี่ยเหมือนกำแพงที่เราเปิดมันไม่ได้มันจะกั้นเราเลยนะมันเป็นผนังใหญ่แท่งทึบ เหมือนภูผาเนี่ยเราจะเจาะทะลุเข้าไปเนี่ยโอ้โหใช้การละเวลาเนี่ยก็ไม่น้อยพอเขาสร้างมาก็ไม่น้อยเหมือนกันถึงบอกเออพูดสร้างดีวกว่าเราจะทำลายสิ่งนั้นได้หมดสิ้นนโยมถึงบอกว่าเราได้ ฟังทมแล้วตมาดีใจนะว่าชาตินี้โชคดีว่าเรามีลาบลาบของเราเป็นลาบอันแปรเสรีที่สูงสุดกว่าใดๆในสิ่งที่เราคิดอยากมีอยากได้อยากเป็นพอเราได้สิ่งนี้เรารู้สึกสัมผัสกับมันได้ แต่ไม่ใช่ว่าได้ปุ๊บสัมผัสปั๊บไม่ใช่ต้องเราต้องให้ความสำคัญแล้วก็รู้จักกับสิ่งนี้ด้วยทุกอย่างเราต้องรู้จักมันก่อนเครื่องมือเครื่องไม้ที่จะใช้เป็นเราต้องรู้วิธีเหมือนกันหมด <c oughs> ถึงบอกบางคนปฏิบั ต, ติเหมือนว่าทำมันไม่เกิดหรือว่า ไม่รู้ทามันเกิดยังไงปฏิบัติแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงหรือว่ารู้อะไรขึ้นมาเนี่ยตมาว่าเรื่องจริงนะมันต้องมีเราต้องรู้จักกับสิ่งนี้เหมือนธรรมะโยมว่าตมาก่อนจะรู้จักกับเขาใช้เวลาเท่าไหร่ แค่ว่ารูปนี้เก้าร้อยชั่วโมงไปแล้วนะเดี๋ยวโยมไปดูได้มีใหม่มาอีกแล้วอีกสี่ภาพมายเมื่อคืนสวยทั้งนั้นเลยให้ไปดูเนียนเลยล่ะนี่ชมตัวเองหรือเปล่านะอ๋อชมใช่แล้วอ๋อยมก็ชมมาเลยพูดต่อให้โยมฟังอ่ะ ก็ถือว่าชมแล้วกันคำ <c oughs> บอกว่าเส้นสวยบอกเออดีให้กำลังใจซึ่งกันและกัน <c oughs> ดีโยมก็ปฏิบัติดีดีแหน่ปากหวานวันนี้นั่งตัวตรงไม่ค่อยหลับพระจะเอาหนักกว่าโยมดูท่าทาง บางองค์ก็นั่งเอียงอยู่ครึ่งวันเอียงได้ไม่ล้มแก่งจริงๆใครหอเอ็นเขาเนี่ไม่ล้มเอียงมีหลักเนี่ยพอเรารู้จักเราใช้เวลากับสิ่งนั้นเหมือนกับเลี้ยงต้นไม้เรารู้จักนิสัยเขาชอบแดดอ่อนชอบแดดแรงชอบน้ำมาก ชอบน้ำน้อยหรือชอบพอดีชอบสารทางใบหรือทางรากออชอบปุ๋ยแบบธรรมชาติหรือแบบไหนออดูศึกษาตัดยอดแล้วมันยังไงก็ออดู เ, ออเขาจะบอกเราตอนที่เขายิ้มต้นไม้ยิ้มตอนไหนโยมรู้ไหมตอนที่ใบเขาสดมันใบเขียวแป๊เนย ใบเงาว่าเออ น, น, นั่นเขายิ้มนะเขาบอกแล้วว่ามาถูกทางแล้วเขาสมบูรณ์ใบเงามันไม่ใช่ยืนโศกโศกแล้วบอกเมื่อไรดอกจะออกทำามออกมันก็ตายพอดีแะไรอย่าใบมันจะไม่รอดเลยโยมไปคิดถึงดอกนะมันบอกแล้วแต่มาเออเขาบอกออต้นนี้ชุ่ม มอง ม, มันสอนเราทั้งว่าเออไม่ต้องบอกต้นไม้นี่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์กิ่งก้านสาขามันบอกเองใบเบยมันจะบอกว่ามันแห้งมันโศกหรือมันพอดีหรือมันกำลังสมบูรณ์มันเงา เ, ออเราเลี้ยงแบบไหนวิธีก็ดูนิสัยคนแล้วก็ศึกษาทุกอย่างใช้คําว่าความเข้าใจ จบตรงนี้ไหมเออพอเราเข้าใจมันแล้วเนะี่ยอะไรอะไรมันก็ไม่รวนแล้วทีนี้นเข้าใจกันบ่เออมันก็เข้าใจรู้วิธีปฏิบัติมันก็แค่เนี้ยหลักทุกอย่างพอเข้าใจเสร็จวงจรทุกอย่างพอเราเข้าใจได้นะยากก็ไม่ยากล่ะ ของว่ายากมันก็ไม่ยากแต่มันอาจจะต้องใช้ความละเอียดใช้เวลาใช้ขั้นตอนใช้เทคนิคอะไรก็สุดแล้วแต่ก็อ้าวทำไปงานยากงานละเอียดมันขึ้นอยู่ที่การศึกษาถึงว่าพรสวรรค์เขาให้มาครึ่งเดียวจะสำเร็จหรือไม่ก็ต้องอยู่ที่พรแสวงต่อให้โยมบนบานสารกล่าวอะไรก็ตาม โยมก็ไปนอนหลับขอให้บ้านชั้นเสร็จนะปีหน้าตื่นมาก็เท่านั้นเลยโยมโยมก็ต้องไปหาวิธีด้วยช่วยกันทั้งสวรรค์ทั้งสว่างแล้วก็จะสมพรทุกๆประการนี่คือหลักการปฏิบัติธรรมเหมือนกันโยโยโยมขอพระพุทธเจ้าถ้าเรื่องขอนะอาจารย์สมชาติขอ โอ้หปีสองปีแรกนี้ขอทุกวันขอจนท้อขอจนเหนื่อยขอจนเมื่อยขอจนบอกกูไม่ขอละขออะไรก็ไม่เคยได้และไม่เคยให้เลยขอจงสงสารตัวเองแหนวทุกทีเลยขอก็ไม่มีอะไรได้ขอไปเถอะ ขอฤิขอเดชขอปัญญาขอรู้ญาณขอรู้ฌานขอหายตัวขอดำดินขอหอได้ขอจังสุดท้ายไม่ได้อะไรก็ขอให้ใจสงบมันก็ไม่สงบยมคิดไปขอให้ใจตัวเองสงบไปขอใครล่ะก็อยู่กับเราอยู่แล้วดันไปขอคนอื่นเขาให้ใจฉันสงบ โอ้ตายขอไปขอมาเงียบละไม่ขอนะเออพะไม่ขอแล้วก็ทำจริงปฏิบัติจริงคอยกำหนดรู้ไปพิจารณาไปกำหนดดูจิตไป ตามรู้ไปเห็นสภาวะเกิดยังไงจิตคิดนึกยังไงจิตปรุงแต่งยังไงหูได้ยินเสียงเป็นยังไงกายสัมผัสเย็นร้อนเป็นยังไงตึงหย่อนเป็นยังไงเออกำหนดไปเรื่อย กำหนดให้รู้ตาตาเป็นยังไงกำหนดให้รู้หูหูเป็นยังไงก็ฝึกไปเรื่อยกำหนดให้รู้ปากปากเป็นยังไงกำหนดให้รู้เสียงเสียงเป็นยังไงโอ้ยสนุกสนุกด้านกำหนดเออกำหนดผัสสะผัสสะกระทบเกิดเป็นยังไงดูไป เออมันมีเรื่องที่เราไม่เข้าใจเยอะเราคิดอะไรก็เหมือนให้มันเป็นอย่างที่คิดอยากอะไรก็เหมือนต้องสนองให้มันได้พอไม่ได้ก็ขุนเครื่องขัดเครื่องไม่ได้เราไม่มีความอดทนอดกลั้นสักอย่างเลยทําอะไรฝึกหมดแหละ ใจก็ยังไม่เป็นสมาธิโอ้โหจะเอามักผลเนี่ยไปใหญ่แล้วจิตยังไม่มั่นเลยใจยังไม่ตั้งสมาธิยังไม่เกิดโอ้โหจะเอาโสดาบันเลยเดี๋ยวขอขอเลิกก่อนเออใช่ได้เทศรุ่นใหม่มีเล่ด้วยขอมากไปเล่ให้ฟังนะจิตยังไม่ตั้งเลย สมาธิก็ไม่มาทัติก็ยังะระลึกไม่ค่อยจะได้หลุดๆุหลุดุ ด, ด, ดอยู่เรื่อยปฏิบัติวันหยุดไปแปวันเงี้ยเช้าวไหว้พระสิบนาทีไปเถียงดา่านึงครึ่งชั่วโมงเงี้ยแล้วยูมว่าเสียงไหนมันจะดังกว่ากันนะโอ้ วันวันหนึ่งมีแต่ชี้หน้าด่ากันแลฉันบอกจนแผลเมตตามมันไม่จริงแล้วถึงบอกเออเราดูไปดูไปดูตั้งแต่น้ำไหลจนน้ำหยุดไหลจนน้ำนิ่งจนน้ำขังจนดูไปเรื่อยทุกระดับ แตมาสนุกแนะตมาบอกเออเรามันคนไม่ละเอียดทำอะไรก็ไม่รู้คิดหนา้าคิดหลังพิจารณาก็ไม่เป็นเขากัวางวาโง่ก็สมรูปหัวทีเออโง่เลยดันหัวหลานอีกนะสม้ําหน้ามันโง่เลยยังโง่อีก ว่าไงเนี่ยโง่เล่โง่แปลว่ายังไงก็แปลว่าไม่ฉลาดซ้ำซ้อนสิเออน่าจะใช่ไม่ฉลาดซ้าซ้อนเอาก็แสงว่ายิงโง่สิเออใช่ใช่ยิงโง่แล้วทาไงมีดทื่อก็ยังรับคมได้เหล็กกลมนะเหล็กก ล, ม ก, ลมก็ยังมารับให้แหลมคมได้เออ ไอ้ชีวิตทู่ๆอย่างเราเมันพอจะถูกับกระดาษทรายเบอร์ไหนได้บ้างคิดเอแล้วมันจะทำยังไงเหล็กมันมีที่รับเข็มมันมีที่ฝนและคนมันจะรับคมรับฝนยังไงให้แหลมคม โยมอาตมาไม่คิดเลยเอาไงดีวะเนี่ยเอาหัวไปถูกัอะไรดีให้มันหัวกลมๆบ้างเอาไม่ยมมันก็ไม่ใช่ยิ่งทำเัน้ยเขาก็ยิ่งเติมมาโง่ไปอีกมันไม่ใช่วัตถุปัญญา มันต้องเพิ่มแสงสว่างแสงเทียนแสงตะเกียนแสงไฟแสงอาทิตย์แสงจันท์งั้นเราก็ไปนั่งตากแสงเท่เอายมรู้ไม่มีอยุ่คืนแต่มาเดินออกมาที่ <c oughs> ลานที่ปากช่องที่โคดินนมาก็นั่งอยู่คนสักครู่ลูกศิษย์ก็เห็นเดินออกมา พระอาจารย์พระอาจารย์มานั่งทาอะไรบอมานั่งรับแสงจันโอ้อารมณ์ดีจังรวมมิติมากพระอาจารย์มานั่งรับแสงจันโงนนงงนยงก็แงนไปมองดวงจัน์ไม่เห็นมีเลยพระอาจารย์อ๋อไม่มีนะอ๋อไม่มีกันแล้วไปงั้นก็นั่งโดดความมืดแล้วกัน ขนาดแสงจันยังไม่ให้เลยโยงคิดไม่มีเรากลับจริงๆเราไม่รู้จักมานั่งเลยเปลี่ยนไหมบอกว่านั่งในสูตรไอธรรมชาติต้นหญ้ามันเป็นยังไงอากาศ ความเย็นเป็นยังไงร่างกายสัมผัสกระทบยังไงลองฝึกกับธรรมชาติดูได้ยินเสียงตอนนี้เสียงดับเงยียบไม่ได้ยินเสียงเป็นยังไงเสียงเกิดเป็นยังไงเสียงดับเป็นยังไงกําหนดเสียงดูสิฝึกกับธรรมชาติถ้าเราเข้าใจนี้ทุกอย่างนี้ผ่านหมดนะแต่ถ้าไม่เข้าใจร้อยปีก็เรียนไม่จบ เพราะมันไม่มีบทจะเริ่มบทจบก็ไม่มีฉะนั้นถ้าใครเข้าใจความปรานีตของธรรมชาติต่มาบอกว่าจิตคนนั้นปฏิบัติสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งไม่ได้พูดเล่นเหมือนอ่านพระไตรปิฎกไปแล้วครึ่งเล่มเหมือนกัน เพราะชีวิตจริงก็ไม่ใช่หนังสือมันเป็นธรรมชาติที่เราจะต้องรู้จักสิ่งแวดลอ้อมรู้จักสิ่งที่เราอาศัยรู้จักสิ่งที่เกื้อกูลรู้จักสิ่งที่เราอยู่รวมแล้วก็อยู่ร่วมกันแล้วก็เติมสัตว์บุคคลเข้ามาใช่ไหมเราเติมแค่สัตว์บุคคลเข้ามา ละโยมก็อยู่และกำหนดธรรมชาติเป็นไงเขาก็เกิดตั้งแล้วก็ดับแต่บอกเออความร้อนก็ไม่เคยยึดถือโลกใบนี้ความหนาวความเย็นเขาก็ไม่เคยยึดถือกายใครลมสายลมพัดผ่านเราจะสูดดมหายใจเขาก็แค่เข้าไปแค่อึดใจเดียว แล้วก็ผ่านเราไปอีกแต่มารู้แล้วเราสัมผัสกับเขาเคยอยู่กับเขาแล้วก็ต้องจากกันเป็นอย่างนี้ตลอดและเสมอมาเข้าใจแล้วเรารู้จากท่านเรามีชีวิตอยู่โดยความไม่เที่ยงหมุนเวียนอยู่ตลอดอ่า ธรรมชาติสอนเราโยมฟังแค่คิดว่าง่ายเลยโอ้โหมันเป็นสิ่งที่เราต้องคิดต่ออีกเยอะมากเราต้องสารต่ออีกเอาความเข้าใจจุดนี้แหละไปนั่งในตัวสัตว์ในบุคคลในวัตถุในสิ่งของในสิ่งที่เราจับต้องใช้อยู่กับชีวิตเรามันก็ เหมือนกันแต่ชีวิตมันการใช้มันเพียงคล้ายกันแต่ว่าลงที่เนื้อทำอย่างเดียวกันพอเข้าใจเสร็จพอเอออะไรที่คำว่างโง่โง่เพราะไม่รู้ใช่ไหมแล้วไม่รู้อะไรจึงเรียกว่างโง่ไม่รู้ความทุกข์ และความดับทุกข์คำธรรมนี้แหละเป็นธรรมะบริสุทธิ์สองคำนี้จบก็คือจบเกิดและก็ดับสําเร็จแล้วโยมสองคำนี้สำเร็จเลยเริ่มต้นที่ไม่รู้คือไม่รู้ทุกข์แล้วศึกษาจนรู้ถึงความทุกข์และความดับทุกข์จบพระพุทธเจ้าหยุดแสดงดับเมื่อทุกข์ดับ ก็ไม่มีอะไรต้องปฏิบัติแล้วจิตดวงเนี่ยทกไม่โยมแต่กายเนี่ยมีทุกข์มีจนตายเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของธาตุขันธ์ที่อยู่ในไตรลักษณ์มีเสมอกันหมดทุกคนแต่ถ้าทุกข์ในจิตของใครที่ว่าเคยเกิดแล้วก็ตั้งอยู่แล้วดับลงได้ โยมสำเร็จแล้วนะสําเร็จแล้วแล้วน่าโยมจะใสขึ้นทุกวันจะผ่องใสขึ้นอิ่มเอิบขึ้นเบิกบานขึ้นจิตใจจะเยือกเย็นขึ้นขึ้นความเมตตาจะแผ่ไม่คิดร้ายไม่ทําลายใครอีกนั่นแหละเขาเรียกความเมตตาที่แผ่ปกคลุมไปทั่วในมือโลกธาตุ ไม่ว่ามนุษย์อามนุษย์สัตว์มีขาไม่มีขามีปีกไม่มีปีกสัตว์ร้อยครานก็แล้วแต่สัตว์มีเท้าก็แล้วแต่ทุกทั่วตัวสัตว์เราสัมผัสกับใจเราได้ว่าเราเป็นมิตรกับทุกอย่างจิตที่ไม่มีเวรมันจะรู้อย่างนี้แล้วบอกกันไม่ได้ว่าเธอ ต้องทำอย่างงี้นะไม่เขาเรียกเกิดโดยทำแต่ถ้าเราฝึกสติเนี่ยเผลอหลุดได้นะพอมีการกระทบก็บมีสิทธิ์หลุดแต่ถ้าเกิดโดยทำเนี่ยเหมือนจิตเราแลเห็นตั้งแต่ก่อนที่จะเรื่องทั้งหมดจะเกิดมันวายนะแปลกที่ว่าปัญญาญาติคือจะรู้ร่วงหน้า จะรู้ล่วงหน้าว่าถ้าสิ่งนี้เกิดจิตตั้งยังไงถ้าสิ่งนี้ปรากฏขึ้นจิตจะทำยังไงมันเหมือนการใช้ศาสตราอาวุธที่เห็นคู่ต่อสู้เราจะวางกำลังเราจะใช้ศาสตราใช้อาวุธชนิดไหนเขาเรียกดักไว้หมดแล้วมันก็เหมือนเดินเกมหมดแล้ว อ oh, ปัญญามันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาเพื่อทาลายแต่ปัญญาเพื่อดับทุกนี่แหละความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าปัญญาที่ดับทุกสุดยอดแห่งปัญญาทั้งหมดในโลกปัญญาที่ดับทุกถือบอกใครได้พบเห็นพระพุทธองค์ก็ดับเย็น ใครได้ฟังเท่านั้นแหละกิตติศัพท์ของพระพุทธเจ้าฟังแล้วใจนี้ก็เกิดกุศลธรรมอยากติดตามอยากจะไปหาอยากจะไปอภิวาสถึงบอกเซนามหามาตตอนที่พระเจ้าสุโธธนะส่งไปโยมก็คงทราบส่งไปกี่รุ่นกี่รุ่นหายยับ ส่งไปกี่ครั้งกี่ครั้งหายเยบเอทหารเสนาอัมมัดส่งไปเท่าไหร่เบจุดท้ายไปบวชหมดเลยแม้เสนาอัมมัดจุดท้ายที่ไปก็บอกขอบวชแต่ขอพระองค์ได้โปรดเสด็จด้วยเถิดพระเจ้าคะ่ะก็เลย รับรับนิมนต์ให้ไปโปรดพุทธบิดาที่เมืองสุที่เมือ ง, อ, เมองกบิลพัทไโปรดถึงบอกเออทำไงเราจะได้มีแสงสว่างแต่มาบอกแสงทมสองชีวิตแต่แสงอย่างอื่นสองถาง ยมสังเกตไหมแสงในโลกแบนนี้ได้แค่สองทางให้สว่างแต่ไม่ได้หมายว่าจะส่องใจชีวิตของใครให้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากที่เคยเดินหลงผิดแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวเหมือนองคุริมาดเหมือนหลายหมื่นหลายแสนชีวิต ที่เปลี่ยนตัวเองจากเคยตกนรกอยู่จนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์จนเป็นเทพเป็นพรหมเป็นมนุษย์ที่มั่งคัง่งเสวยทิพยสมบัติและมนุษย์สมบัติ จุดนี้สำคัญฉันพอเราจะหาปัญญาธรรมะก็บอกเหล็กทื่อยังรับคมเหล็กกลมๆยังมาลับให้แหลมคมได้คำว่าคนหรือต น, นจะปล่อยให้โง่ตลอดโดยไม่รู้วิธีดับทุกข์ จริงจริ ง, จ, รงจิตของเราเองไม่ต้องการทุกแม้แต่น้อยเลยยมสังเกตไหมสังเกตหน่อยสิสงสารมันนะพอทุกทีดูหน้าบรรทาวุยบรรทาวุยยังอร่อยนะว่าไม่ได้หน้าตามดูแล้วเหมือนกระดาษที่ยับอเออหมดเน่า และเราก็มีเวลาอายุก็ไม่ใช่ยาวนานมากที่มานั่งทำหน้าเหมือนคนอมทุกข์อยู่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่มานั่งแบกโลกแล้วถอนหายใจอยู่คราเคร า, า, า, า, าถามจริงโลกเป็นของโยมหรือเหตุฉช่ไหนยายมาแบกอยู่แต่เพียงผู้เดียวมาแบ่งกันบ้างสิเออแปลก วันหนึ่งจะมาไปที่ไหนได้รูปปั้นมาเป็นใครสมฤทธิ์คนแบกโลกเข่าสุดตัวนี้หลังโกงโลงแล้ววันหนึ่งก็มีครูบาอาจารย์มาองเนะี่ยก็รู้จักกันท่านก็มาเขาก่อนจะกลับบอกผมขอถาวายให้ท่านหัวเลาะกากเลย ผมพ่ะ อ, อาจารย์พ่ะ อ, อาจารย์รู้ได้ยังไงผมนี่แหละคนแบกโลกเอาไปแบกทีเถอะผมไม่ไม่อยากแบกแล้วท่านแบกต่อถูกใจใหญ่เลยหัวเราะแม่พ่า อ, อาจารย์หายไปสามสี่เดือนเอากลับมาคืนโอ้ไม่ไหวพ่า อ, อาจารย์มันหนักเกินกว่าที่คิดทนแล้ว มันเตือนผมทุกวันนะท่านวางมันเถอะมันทับท่านตายนะบอกว่าท่านบอกรู้แต่มันวางไม่ได้วางไม่ได้ก็เพราะเราไม่ว่างมันเป็นภาระนั่นแหละภาระภาระที่ต้องทำแต่ใจต้องว่างท่านยังแยกไม่ออก ภาระมีต้องทำธุระมีต้องทำแต่จิตนะมันต้องว่างมันต้องว่างให้ได้ไม่อย่างนั้นโลกใบนี้มันก็ไม่มีใครว่างไม่ว่างธรรมาก็ไม่ว่างเรื่องจะคิดก็มีเรื่องจะทำก็มีที่จะไปก็เยอะอต้องว่าง บุ่นกับวางเนี่ยมันอยู่คู่กันคู่กันวางกับว่างมันก็อยู่ใกล้กันบุ่นวางวางมันอยู่ที่เราถึงบอกโอ้พอเข้าใจเสร็จนี่ถึงบอกว่าเราต้องศึกษาไงพอเข้าใจตรงนี้เขาเรียกปัญญาเกิด เกิดจากแสงธรรมทำให้เรารู้สึกเราสัมผัสกับมันได้เรารู้จักธรรมชาติสอนเราเราอยู่กับสิ่งนั้นอาศัยกันแล้วก็แยกย้ายจากกันไม่อะไรอาวร์ไม่ผูกติดไม่ยึดติดแล้วไม่ทุกข์กับอดีตที่ผ่านมาอีกเลยจบเรื่องทุกข์มาวานทั้งหมด วันนี้ต้องไม่ทุกข์กับมันอีกหนึ่งวันต่อ1หนึ่งวันธรรมาจะกบหนดไม่ให้อารมณ์จิตเนี่ยมันค้างหรือตกค้างมันจะเป็นของบูดของเน่าของเสียโยมสังเกตนะไม่ว่าของกินอะไรก็ตามที่ผ่านร่างกายเราไปเนี่ยถ้ายมค้างคืนแล้วก็พรุ่งนี้เจอแน่ถ้ายิ่งมีกระทิด้วย โบดเน่าเลยนะถ้าจะเยีดอยู่ได้อีกหน่อยก็คือต้องใช้ความเย็นก็คือจิตต้องรักษาคือปัญหามีอยู่ยังค้างค้างอยู่แต่จิตต้องเย็นรักษาเลยมันจะไม่เน่าเสียโยมเทียบเคียงดูทีมันสอนเราหมดแหละแต่ถ้าจิตของโยมบุ่นวายไปด้วยเน่าเน่าเน่าชีวิต ถึงโยมงานจนเสร็จจิตมันก็เน่าไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันถ้ากับเราไม่ได้อยู่กับความเย็นความสุขความสงบความปลอดโปรง่งเสียดายเสียดายตอนให้งานเสร็จใจโยมวุ่นวายมันตั้งสามสี่ห้าเดือนหรือเป็นปีและคิดว่าไม่มีอีกแล้งงานอื่นเข้ามามีอีกก็วุ่นวายต่อไปอีก ถามว่ามันจบเป็นไหมจบไม่เป็นเพราะเราเย็นไม่ได้และยิ่งจบไม่ได้โอชีวิตคิดจนเป็นบ้าคิดจนโรคภัยไข้เจ็บเกิดไม่ได้บัทอรสุขภาพร่างกายโอพ วันหนึ่งพ ย, ยมเจ็บใครได้ป่วยยมเจ็บว่าเงินทองทั้งหมดทรัพย์สินที่มีมันเหมือนกับของนอกกายที่เรานอนมองด้วยตาที่รู้สึกเหมือนเราได้แค่จับต้องแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอาไปยมต้องเข้าใจนะโลกแบนี้ของที่จับต้องไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราจเจ้าไปนะแตมาบอกเออเข้าใจแนละ้วรู้แนละ้ว รู้แล้วทุกให้กำหนดรู้นี่แหละรู้แล้วบอกรู้แล้วไม่ง่แล้วรู้แล้วรู้แล้วหาวิธีดับทุกข์ฉลาดเป็นแล้วเริ่มฉลาดแล้วอาตมาบอกว่าบางคนฉลาดหาทรัพย์ภายนอกแต่ไม่ฉลาดในเรื่องของการแสวงอริยทรัพย์ภายใน บางคนก็กำกลึงนะได้ทั้งนอกได้ทั้งในอย่างละครึ่งก็ดีดีอย่างนี้ก็สร้างบา ร, รมีด้วยทำมาหากินได้เงินได้ทองสร้างบุญสร้างกุศลอุปถัมภ์คำจุดนี้เขาเรียกอย่างอยู่ในขั้นสร้างบา ร, รมีอย่างมุ่งในโภคะสมบัติสวรค์สมบัติถามว่าดีไหมก็ดีในระดับหนึ่งแล้ว แต่พอถึงจุดหนึ่งธรรมชื่อจิตที่เขาบําเพ็ญมานานพอแล้วเขาจะเน้นเรื่องของการดับทุกข์และก็ยุติในสังสารวัติก็ต้องแสวงหากระแสของโสดาบันเป็นเบื้องต้นก่อนถึงบอกเออเรายิ่งภาวนาไป เมื่อก่อนเราคิดว่าโสดาบันเนมันยิ่งกว่าหาทองคำหนักเท่าตัวคนแล้วมาหลอกกว่าจะได้โสดาบันสำหรับคนจนนะคงไม่มีสิทธิ์แต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นมันอยู่ที่ว่าเรารู้ทุกข์และเราวางมันได้ไหมท่านโยมต้องกำหนดก่อน พอรู้ทุกข์เสร็จวางมันได้ไมพอรู้ว่ากําลังจะกโกรธเนี่ยยอมสงบมันได้ไหมเออเอาเบื้องต้นก่อนที่เราจับได้ต้องได้สัมผัสได้รู้ด้วยใจของผู้ภาวนาเองเนี่ยนิสัยตรงเนี้ยเราคุ้มครองได้ไหมจิตเราปกป้องอารมณ์จิตอย่าให้เกิดอย่างนี้ได้ไหม นั่งกำหนดยืนเดินอยู่ก็ตามกำหนดให้ได้จะไม่ด่าคำหยาบแหน่เอาศีลมาควบคุมจะไม่ใช่อารมณ์อันรุนแรงภายในใจเอาใช้มโนรรมมาควบคุมขลันนอกใช้ศีลในใช้ธรรมโสดาบันเขาตั้งกันอย่างนี้ ภายนอกก็ใช้ศีลภายในเขาใช้ธรรมโสดาบันไม่ขาดสติเขายืนอยู่อย่างนี้แต่มาจึงบอกเขายอมตายไม่ยอมตกนรกเหมือนคนอื่นเขาจะฆ่าแต่ท่านไม่จับสาสตราเพื่อฆ่าคนที่จะมาฆ่าเราตายเพราะอะไรท่านบอกความตายเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความเกิดใหม่แต่การไปสร้างเวรให้เขาตายเราเองต้องรับกรรมวิบากจงนั้น ภูมิของเรามันจะเปลี่ยนไปกระแสโซดาบันมองศีลมากกว่ามองชีวิตโอ้ธรรมามบอกพบทันแล้วตามทันแล้วรอยเท้าโสดาบันเห็นท่านแล้วเผลอๆกระโดดคว้ากอดเลยตึ๊บจะไปไหนโสดาบันรอโสดาดันหน่อยโสดาดันนี่อยู่ข้างหลังเยอะเลยดันใหญ่เลย ยิ่งคืนรถบัสรถเมย์ดันกันไม่หยุดเลยกลัวมันจะไปทับรถเขาถึงบอกเออรู้ท่านมองศีมากกว่ามองชีวิตมิหน้ายอมตายแต่ไม่ยอมไปนรกโอ้โหจิตอย่างนี้เขามองข้ามข้ามชีวิตตัวตนที่มีอยู่ในตอนนี้ ถึงบอกโอ้สติของพระโสดาบันไม่ใช่แบบพวกเราเรา呐นะบทได้ก็คือได้บทไม่ได้ก็บอกไม่ไหวแล้วเนะี่ยไม่ใช่นะของท่านนี้แบบแต่ดูเหมือนท่านจะรู้มันจะท่านจะรู้เรื่องวิบากตามมาด้วยเหมือนท่านรู้ว่าท่านจะต้องมีวิบากอย่างนี้ด้วยนะ ถ้าไม่เป็นวิบากใครก็แตะต้องท่านไม่ได้ถ้าถึงในระดับโอ้โหบําเพ็ญถึงขั้นโสดาบันแล้วเพราะท่านไม่ลงไปเกือกกลัวก้วกับคนผ่านแน่นอนที่สุดท่านไม่คุกคีกระทึกคึกโครมกับคนที่ไร้สาระที่พูดวันวันหนึน่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยได้แค่คุยหวัวเราะไปแล้วก็จบขนทางของท่านไม่เหมือนที่พวกเราเดิน แต่เดินร่วมกันอยู่ในทางเดียวกันแต่จลิตนิสัยและคติเนี่ยไม่เหมือนกันภูมิต่างกันภูมิต่างกันนึกอกเออในเส้นทางเดียวกันมีทั้งสัตว์มีฮะมีทั้งมนุษย์มีทั้งโสดาบันมีทั้งพระอาหารหันต์ที่เดินในสมัยก่อนก็เดินอยู่เส้นนี้เนี่ย แต่ว่าหนทางของ จ, จิตจอนั่งยืนเดินนอนไปคนละทางกันไปคนละทางกันเห็นที่พวกเราอยู่รวมอยู่ร่วมกันโยมนึกหรือว่าพอตายเสร็จไปที่เดียวกันหมดเนี่ยจ้างให้ธรรมาก็ไม่เชื่อไม่เชื่อภูมิของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกันต่อให้นั่งสมาธิแบบเดียวกันแนวเดียวกันครูองค์เดียวกันนี่แหละอยอว่าเหมือนหรือไม่อย่างนั้นพระบวชก็หมดเหมือนกันหมดเลไม่เลยนรกก็ยังมีอยู่สวรรค์ก็มีนิพพานก็มีมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์บำเพ็ญต่อก็มี หลากหลายถึงบางคนถึงกับระลึกชาติได้ก็มีแต่ในร้อยปีก็จะมีปรากฏมาสักองค์สององค์เขาเรียกให้เป็นโทษสวรรค์โทษนรกโทษแห่งความจริงของสัจธรรมจะมาประกาศบอกให้มนุษย์ได้รู้ความจริงแต่ในร้อยปีนะจะมียมจะได้ยินกรงุงศรีอยาไม่สิ้นคนดีในหนึ่งรอปีจะมีผู้ที่จะมาประกาศ จะมาบอกในความดีความชั่วความเร็วในเรื่องของพุทธศาสนาในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์มิติภพภูมิกาวมวิบากส่วนใครจะเชื่อแค่ไหนไม่เชื่อแค่ไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่จะมีสิ่งมาบอกทำให้มนุษย์ ไม่หลงมากเกินไม่เพลิดเพลินมากไปเพราะวัตถุมันจะดึงเราให้จิตของเรานี้ค่อยๆเห็นวัตถุเป็นสวัสด์ <c oughs> เห็นบ้านหลังใหญ่คิดว่าเป็นวิมานจริงๆอยู่ไม่ได้นานเท่าไหร่มันก็จากไป พี่แม่ยมดูที่เขาสร้างเป็นคารื้อหาบางทีตอนนี้ก็เป็นของที่ซุดโซมเลในร้อยสองร้อยสามร้อยปีรุ่นตระกูลนั้นตระกูลนี้มันก็ค่อยตกต่ําเปลี่ยนจากรุ่นเดิมเดิมเปลี่ยนผุพังไปขายไปเปลี่ยนรุ่นไปไปดูเถอะทั้งโลกไปเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงไปตลอด บอกเออถ้าเราเอาสติอยู่กับธรรมชาติแล้วเขาจะบอกเราเขาจะบอกพยมกำหนดรู้ได้แต่บอกนั่นแหละแสงธรรมสองชีวิตใจเรารู้เราได้ศึกษาด้วยใจแห้วเรารู้ด้วยทางตาศึกษาแล้ว รู้ด้วยทางหูเราศึกษารู้ด้วยทางตินทางรถทางกระทบสัมผัสใจที่ถูกต้องอารมณ์น้อยใหญ่ใจรู้แนละ้วพอใจรู้อย่างนี้เขาจะไม่ขุนเขาจะรักษาอารมณ์กิจวันต่อวันอย่าให้เน่าค้างคืนถ้าเน่าค้างคืนตกเป็นเขาเรียก เป็นตะ ก, กรนนอนไปเรื่อยๆนอนก้นแล้วตกพลึกลงนะดีไม่ดีคืนนั้นฝันร้ายไม่ได้แต่มาจะไม่ให้เกิดพึบๆ พ, พ, พอใจกระทบสัมปัติแวบหนึ่งรู้แล้วจิตเราไม่ใช่อย่างนี้มานเรารู้แล้วจิตเราไม่ใช่ปรุงแต่งแบบนี้นี่ไม่ใช่กูตนเรารู้แล้วทันทีเหมือนกัน อาน้ำมันก็กระเพื่อมได้พอถูกกระทบใช่ไหมมันต้องมีกระแสธรรมดาโลกใบนี้เหมือนกันนั่งอยู่เปิดเพลงดังมามันก็มีแรงประทะมันก็มีสิ่งสะเทือนแต่เราต้องรีบกำหนดจิตของเราให้ได้โยมลองโยนก้อนหินลงในน้ำเนี่ยมันก็แวกมันก็มีขึ้นทุบๆแต่ว่าน้ำไม่ทะเลาะกับใคร แค่มีแรงมาประทะกับเพื่อมหิดนั้นก็จมหายไปคือเราไม่สะท้อนออกไปฉะนั้นการภาวนาเนี่ยทิ้งบอกว่าใช้นิ่งสยบความเคลื่อนไหวหรือความหวันห่นไหวแต่บทจะทำอะไรเนี่ยมันมีการเร็วก็มีช้าก็มีอาตมานี่ช้านะรอได้เป็นห้าปีนะยอมเชื่อไปเนี่ย อาตมารอห้าปีหกปีเจ็ดปีได้ปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆเนี่ยรอให้มันโตได้รอได้สามเดือนสี่เดือนรอได้แต่บทที่ไม่รอวินาทีเดียวรอไม่ได้ไม่ใช่ใจร้อนหรือใจเย็นการมันเป็นเช่นนั้นเราต้องใช้ให้มันถูกกาลเวลาสมัยทุกอย่างมันมีหลักถ้าเราใช้ผิดหลักชีวิตวุ่นวายแล้วก็ เสียงงานพังไปหมดไม่ได้เ อ, อแต่มารู้แล้วอารมณ์ต้องไม่ร้อนเราต้องรู้จักเหตุผลไม่ใช่ของตัวเองมันต้องเป็นของที่พิจารณาแล้วมันต้องเป็นประโยชน์ให้กับทั้งส่วนรวมแล้วก็ส่วนตัวได้อย่างนั้นมาเรียกทิฏฐิถ้าเรามองฝ่ายเดียวต้องบอกเออ ถ้าลองคิดคิดเสร็จความคิดเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถามตัวเองแล้วก็จําแนกแยกแยกความคิดตัวเองว่ามันไปได้ถึงไหนแล้วมันคืออะไรบางคนคิดแล้วไม่เคยเอาความคิดเนี่ยมาดูเลยยมดูความคิดตัวเองมองภาพตัวเองเดินแบบไหนมองภาพพูดขนาดไหน ที่ไม่คําใหญ่เกินแล้วก็ไม่เล็กไปถ่อมตัวมากก็ไม่ดีไ ม, ไม่จำเป็นไปคุยวอโอดมากไปก็ไม่เหมาะให้มันอยู่พอสมควรให้พอสมควรถึงบอกเออกินข้าควคํโตเกินมันก็ล้นปากกินคําเล็กเกินมันก็เสียเวลารู้ พอเราเข้าใจแล้วนั่งกำหนดทุกอย่างมันจะไม่สับสนดงั้นโยมต้องดูความคิดเราคิดอย่างนี้ใช่ไหมดูอีกทนะีแล้วถ้าอย่างนี้ทำอย่างนี้ดูว่าทำแล้วอย่างนี้คืออะไรแล้วคืออะไรที่ทำออกไปผลมันคืออะไรตามไป ถ้ายมดูนี่โอกาสพลาดาตมาบอกร้อยหนึ่งพลาดไม่เกินสิบเปอร์เ็นนี่ให้มากเลยนะคำพูดก่อนจะพูดเราบอกเราเป็นนายมันนะแต่ถ้าพูดไม่ดีมันจะเป็นนายเราไม่ต้องรีบก่อนจะพูดคิดถ้าอารมณ์พูดอย่าเอาออกมาแตมาบอกมันต้องไม่พูดจาก ของเน่านะต้องพูดจากของดีใจเราบางคนเก็บเก็บเก็บตกตะกอนนอนก้นอยู่นัานพอพูดออกมานี่เรื่องกี่เดือนก็ยังไม่จบบ้านไหนก็ไม่มีความสุขนะเดี๋ยวก็ขุดอีกแล้วอพอทะเลาะกอันดีขุดเรื่องเก่าอีกแล้วเอาอีกแล้วเรื่องเก่าแพ้เก่าอีกแล้วทําไมล่ะ คยอะไรกันมาต้องเอาเรื่องเดิมขึ้นมาอี ก, อกเออ <dedication> เดี๋ยวจะไม่ได้ทะเลาะกันเมื่อกเนี่ยยิ่งดูยิ่งดูทุกบอกอย่าให้จิตของเรามันมันตกค้างอารมณ์วันต่อวันยมต้องชำระนะพลึบพึพึบพึพอกระแทกก็มาพึบพอได้ยินหูก็มาพรับฟังปุบพอมีคนมายุแย่นินทามาพูดเอาข่าวอะไรมา พ, pp, พึบพ เราพิจารณาเอาไม่มีสาระบอกหยุดไม่เอาไม่ฟังไม่ฟังเรื่องเวลาเราไม่ได้ดีมากไม่เอาเรื่องนินทาคนทั้งโลกมันไม่เกิดประโยชน์เหมือนเขาตัวเราเป็นนินทาที่อื่นคนอื่นเขาเขาไม่เกิดประโยชน์แต่มาไม่ค่อยสนเรื่องนี้นะใครจะมาพูดอะไรบอกเออก็เรื่องของเขาว่าเทว่า เรื่องของเราเราทำอะไรจิตเราดูไปเรื่อ ย, เ, อยเ ท, ท็จจริงแค่ไหนเ ท, ท็จแค่ไหนจริงแค่ไหนที่ผสมาสารเราก็ไม่รู้ก็ปรุงกันใหญ่เลยอย่างนี้มันเป็นมารรู้หรือเปล่าที่บอกจิตภาวนาปฏิบัติแต่มาดูฉะนั้นถ้าเราไม่รักษาจิตให้ตั้งให้มั่นไว้โยมไปไม่ได้หรอก ต่อให้ไหวพระสวดมนต์ไหวพระสวดมนต์ทุกวันเดียวเดียอีกแล้วฉันต้องประคองดูจิตไปเรื่อยเรื่อยต้องไม่สนองอารมณ์ต้องใช้เหตุและก็ผลปัญญามากับกับพิจารณาบางอย่างตึงไปก็ต้องผ่อนย่อนไปก็ต้องดึงหลักการปกครองเขตามาบอกเออความดีเขาก็มีเยอะแยะ ทำไมไม่มองเขาบ้างาจุดเสียนิดเดียวโอ้โหเอาเป็นเอาแตา่เอาเป็นใหญ่เป็นโตไปได้บอกแต่เขาเลวเขาคงไม่มาถึงนี้หรอกนะ ก, กาหนดดูไปเราไม่อยากคบก็ไม่ต้องคออจะให้ดี 100% ก็คงไม่มาที่นี่เหมือนกันแล้วเราก็เหมือนกันดูตัวเราไปนะกาหนดสอนตัวเองไปด้วยบอกตัวเองไปนั่งเดินยืนดูแต่ที่สาคัญเนี่ย ระหว่างที่มีผัสสะมีกระทบยมต้องเร็วนะบางทีนั่งสมาธินึกว่าจิตเราเราตั้งมั่นแล้วนะโอ้พอลุกได้แค่สี่ห้าเก้าเท่านะั้นสติเราไม่ตั้งแบบที่เรานั่งภาวนาะพอกายเคลื่อนจิตก็ไหลพอกายไหวจิตก็รั่วทันทีว่าโอ้อย่างงี้คนนี้ไม่เข้าใจแล้ว ไม่เข้าใจได้แค่ภาพนิ่งแต่เคลื่อนไหวชีวิตจริงไม่ได้แสดงว่าได้แค่ฝึกปฏิบัติแต่ไม่ได้ทำว่าแนวการปฏิบัติแท้จริงเอาอย่างพวกเรานี่ฝึกปฏิบัติเนี่ยไม่มีใครมากวนเราเหล่าแต่พอของจริงเดี๋ยวโอ้โหพโยมลุกขึ้นเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นสีเขียวสีขาวสีแดงสีม่วงสีฟ้าทั้งนั้นแหละ ไม่รู้รถใครบีคแต่หน้าหลังรถเครื่องจะปาดหน้าปาดหลังรถใครจะโอ้สารพัดจะเบรคหัวจะทิมไปเยนดูกับคนก็ด่าเขาด่าใครวะเนี่ยทีนะ่ะด่ามึงนี่แหละเอาด่ากูนาานา เ, นนเนี่ยด่าเมื่อไรโอ้ด่ามื่อ้านาทีโอโหเจ็บนะเนี่ยด่ากูนี่นะผมบอกด่ากูที่เจ็บเลยอยู่ทีแรกนู่ว่ามึงด่ามึงเอา้า ถึงบอกเออไม่รู้ว่าเขาด่าก็ไม่รู้สึกเจ็บเนาะบอกเขาว่าด่ามึงนี่แหละโอ้โหกูทนไม่ได้แล้วนะนถึงบอกตามไม่ทันก่อนเราจะใช้อารมณ์เป็นคนผ่านตลอดหรือจะใช้ปัญญารู้ทุกข์แล้วก็ดับเนี่ยถึงบอกดูไปเรื่อยเร ย, เรยถึงบอกจิตที่เราโปรดสัตว์เราไม่อยากไป เขาไม่เจอเราเขาก็มีนิสัยอย่างนี้ก็ แ, แก้ไม่ได้แล้วไม่แก้ด้วยนะโยมเดินห่างอีกสักสิบเก้ามันก็จบถ้าเขาจะด่ายกมือไว้ขอไปแพ้เป็นพระใจเราเป็นเป็นพระและ้วสบายเขาชนะแบบเป็นมารก็ให้เขาชนะไปอย่าไปมีเวรต่อถ้าเราต้องการหมดพบชาติ นิ่งเสี้ยบ้างก็ไม่ขัดทุนล็อกบางเรื่องบางอย่างเสียเปรียบหน่อยก็ไม่เป็นไรล็อกบางอย่างบางเรื่องก็พิจารณาไปไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องเอาเหตุผลทุกอย่างบางครั้งก็ทำมึนๆไปทำไม่ได้ยินมันดามาก็แววไปแล้วกันถูกไหมยมอย่าไปทำฉลาดทุกเรื่องเดี๋ยวเป็นบ้านะโอวันหนึ่งมารับรับเรื่องทั้งโลกเนี่ยบ้าแ ล, ล้วล่ะ คนนี้ไม่ปกติแต่มาบอก อ, อมีน้าเขาบอกให้หนักแน่นไวยสมัยก่อนที่เขาเอาต้มหูถ่วงหูเนี่ยนะเขาบอกหยาหูเบาเดี๋ยวนี้กายไปสวยหมดแล้วเดินต้องแตง่งต้องแต่งต้องแตงทำเป็นวัวควายไปได้เสียงกระทบก้องเก่งก้องเก่งแล้วบางคนเป็นหมาจูด้กระเป๋าอะไรไมาติดกระดิ่งเต้ไมไปหมด ขยับต like hey, ัวทีกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกอะไรวะเนี่ยนิสายภาวนากุ้งกิ้งขนาดนี้หรือถ้ามันไม่ภาวนามันพกระคังมาแน่แต่มาหันไปดูมันอะไรเนี่ยออกกระเป๋าค่ะนล้วก็หมาจูมาด้วยถ้าถ้าเป็นแม่ชีพกกระเป๋อเนี่ยแต่มาบอกไม่จืดเลยลงลงลงตรงนี้โยมมีไหม มีก็ถอดเองเดินก้มงเกงก้เกงโอ๊ยทำไมมันสงบมากไปหรือนึงต้องเพิ่มเสียงเข้าไปอีกเออเอกแค่บอก่นใครทำไม่ทำก็แล้วแต่เน่ถ้าเรากำหนดไปภาวนาไปบอกใจเรารู้พอรู้เสร็จเออเราฝึกความนิ่งสำคัญนะ ที่ยมบอกก็ใจมั่นใจนิ่งใจสงบเนี่ยโอ้ตรงเจอของจริงก่อนพอเจอของจริงนี่หน้าร้อนเลยแต่ยังต้องข่มช่วยนะโยมเชื่อไห่ครั้งหนึ่งแต่มาเหมือนเหมือนเป็นนิมิตก็ไม่เชิงเหมือนว่าไปปรากฏอยู่ในนรกโอ้โหมันน่ากลัวอะไรขนาดนั้น ขนาดลงไปต้องอยังไม่มั่นพอนะต้องพุโทโธพุธโทโธช่วยนะใจบอพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทเขาบอกไงรู้ไหมเขาบอกถ้าพระคุณเจ้าไม่ได้สร้างบุญสร้างด้วยกรรมวิบากที่ทำมานี่แหละขุมนรกต้องลงขุมเนี่ยยืนพิจารณาไว้เขาไม่เว้นเลยนะจิตวิญญาณ ถึงไม่ลงก็ บ, บอกต้องมาพิจารณาไว้นี่กรรมที่ท่านได้สร้างไว้ท่านต้องมารับกรรมนี้แต่ด้วยโกุศลที่สร้างไว้ให้พิจารณากรรมตรงนี้พุทโธพุทโ ธ, ธอย่าลงแล้วไว้พุทโธใจมันสั่นๆยังไงไม่รู้กลัวไอ้โยมทุก ม, มันจะถีบลงไปพุทโธพุทโธอะยาณนะพุทโธพุทโธอะย า, ยามึงห่างกูนหน่อยอะใจมัน มันน่ากลัวมันเหมือนกับมีอำนาจมันมีอำนาจแบบยิ่งใหญ่ทำให้ตัวเราเหมือนนิดเดียวไม่มีสิทธิ์อะไรเลยบอกโอ้อำนาจข้างในนั้นแบบเป็นอำนาจแห่งกรรมเนี่ยไม่มีสิทธิ์ต้านไม่มีสิทธิ์พูดเลยมันมีแต่ค็ว่าบทลงทันเท่านั้นเองโอ้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆขนาดเรา ภาวนาถึงระดับตรงนั้นแล้วยังกลัวไม่อยู่ อ, อ้พุทธโธสามอีกทีเถพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทโธเขาบอกนี่แหละกรรมที่พระคุณเจ้าจะต้องมาได้ผลบุญที่สั่งสมบำเพ็ญมายังไงต้องใช้ให้มาพิจารณาเขายังนำไปให้พิจารณาเห็นวิบากตรงนั้นโอ้โห จำแม่นเลยมันเหมือนจริงและเกิดไม่ใช่ว่าตื่นลุกขึ้นมาว่าฝันนะลืมตาเฉยเลยเหมือนกูไปมาเลยบอกไม่ใช่ฝันเลยนะอกอตายนะถ้าไปจริงเนี่ยโยมเ อ, อไม่ได้โผล่ขึ้นมาง่ายๆอยู่น่ากลัวนะฉะนั้นทางนี้โยมอย่าไปนะ จิตเราต้องว่าเจริญเมตตามีสมาธิจิตหตั้งสติกำหนดอารมณ์อะไรเกิดขึ้นพยายามตัดตัดและวอากุศลจิตพยายามอบรมจิตไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยต้องระวังน ะ, ะสมควรเวลาขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอ จงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเถิดเดี๋ยวเราไหวพระกัน